ตรงนี้ต่อไปก็ไปเริ่มเข้าในเรื่องการที่พระเท้าสกะดทูนถามปัญหาของพระผู้เมีพระเจ้าในเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เท้าสกะดเนี่ยทัานในอัตถกถาของพระสูตรท่านก็ถามในปัญหาปัญหาต่างๆอะไเนี่ยนะพระองค์ก็พระพุทธเจ้าทรงพยากรณพยากรปัญหาถ้าเราปัญหาที่สี่ข้อมาจากคาว่าอีนั่นก็คืออิจฉามัชชริยะ ติก็คือปิยาปียังข้อที่สาก็วิอฉะมันจะคําว่าฉันท้าคือความพอใจวิวิตติกติติกา ค, ความตรึกป่าคือปัญจา ก, ก็คือความเนื่นช้าโสโสมนัตความดีใจทมนัตความเสียใจข้อที่แปดก็เบิขาความบางเฉยข้อที่9ก้ากายสมาทานความประพฤติชอบทางกายสิบกบวัจีสมาทานความประชุพฤติชอบทางวาจาสิบเอก็ปริเยสนัตตาความแสวงหา สิบสองอินเตียสังวราคือการํารวมอินทรีย์สิบสามอเนกธาตุอ่ะนคือมีธาตุเป็นอันมากสิบสี่ก็อ จ, จันตะนิถาความสำเร็จแท้จริงความสำเร็จร่วงส่วนนั่นแหละอันคือปัญหาสิบสี่ข้อเนี่ยในหน้าที่สิบเจ็ดนี่แหละเท้าสกาทูนถามพระบรมศาสดาในข้อที่สองร้อยห้าสิบห้า ท้าสากาัดจอมเทพอันพระบรมศาสดาได้ให้โอกาสแล้วได้กราบทูลปัญหาพ่อแรกกับพระบรมศาสดาว่าหนึ่งอิสามัชชริยะมาจะถาว่าอิเนี่ยนะอิฉามัชชริยะเนี่ยถามว่าความรลสยาและความตะหนีนเนี่ยข้าแต่พระองค์พุทธเจทุกพวกเทวดาและมนุษย์อสูรนคนธรรนาคและคนทัรเนี่ยนะท่านถามเนี่ยท่านถามมาก็เทวดาด้วยมนุษย์ด้วย อสูรอสุรอาสูรนี่คือใครก็คือเทวดากลุ่มหนึ่งนั่นแหละหน้าคนทันมีอะไรเป็นเครื่องผูกพันใจไว้ เ, เครื่องผูกพันใจเนี่ยเขาเรียกพันธนาการทางใจเนี่ยนะคําว่าพันธนาการทางใจเนี่ยในมิลินทปัญหาก็กล่าวในเรื่องของพันธนาการทางใจไว้เหมือนกันท่านกล่าวว่าพันธนาการทางใจนั้นของสัตว์โลกไม่มีเยอะถามว่าพ่อ พ่อเนี่เป็นเครื่องพนันาการไหมพ่อแม่ลูกเนี่ยนะนะสามีภรรยาบุตรสิ่งต่างๆวันนี้ถือเป็นเครื่องพันาันาการทรัพย์เกียรติยศชื่อเสียงใช่ไหมตลอดถึงการมาคุณสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนจะเป็นเครื่องพันาันาการทั้งนั้นนี่ท่านถามบอกว่าอะไรเป็นเครื่องผูกพันใจไว้อันชนเป็นมากเราอื่นเป็นผู้ไม่มีเวรนะ ไม่มีอัจฉยะไม่มีศัตรูไม่มีความเบยาบบัดย่อมปรารถนาว่าขอเราจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เถิดก็พวกเขามีความปรารถนาอยู่อย่างนี้ชะไหนก็นจึงเป็นผู้มีเวรมีอัจฉรยะมีศัตรูมีความเบยาบบัดและยังจองเวรกันอยู่ท้าสาก่าจอมเทียบไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าด้วยประการอย่างนี้พระบรมา ศ, าศาสดาก็ตรตัสตอบบอกว่าดูก่อนเท้าสาก่าจอมเทพนะบอกว่า เทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันมีความริษยาและความตนหีเป็นเครื่องผูกพันใจวะทีนี้ความรลสยาและความตนหีเนี่ยร <c oughs> ลสยาองค์ทำได้แก่อะไรความตนหนีองค์ทำได้แก่อะไรโทสะอิสามะฉริยะใช่ไหมกุกุจันี่กลุ่มของโทสะเลษยาก็คืออิสาใช่ไหมตนหีก็คือมะฉริยะความตนหนี เนียความตันหนีเนี่ยสัตว์ทุกอย่างมักมีความมีความตันหนีเต็มไปหมดเลยแม้ถามว่าตันหนีความรู้เป็นความตันหนีไหมใช่ไม้ม่นันมาบอกคนตันหนีเนี่ยรู้มากแต่มาก็อุนไม่ได้แล้วบอกมากๆเดี๋ยวยอมจะรู้เท่าธรรมะคิดว่าธรรมาตันหนีไหมตันหนีไหมบอกโอ๊ยไม่กล้าสอนอะไรหมดหรอกเดี๋ยวสอนไปเดี๋ยวยอมจะรู้มากกว่าธรรมาแต่ถ้ารู้มากกว่าธรรมาเลยไม่มาฟังอะไรเงี้ยคิดธรรมาคิดนี้ดันทุกวันนี้คิดอย่างเดียวเนี่ย ทำยังไงให้รู้มากมากอะเพราะเพราะดูแล้วเนี่ยดึงยากอ่ะเนีดึงดึงยากทีเนี้ยคือพระพุทธเจ้าก็บอกอิสสามารถเชยานี่แหละความอิศยาและความตนหนีนี่แหละทีนี้ก็บอกว่ามีความอิสระและความมีความมีริศยาและมีความตันหนีนี่แหละเป็นเครื่องผูกพันใจไว่าชนเป็นอันมากเราอื่นนะ เป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีอาชญามิมีศัตรูไม่มีความมายาบัตย่อมปราถนาขอพวกเราจงเป็นผู้เจริญเนี่ยนะขอพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวรก็แล้วพวกเขามีความปรารถนาอยู่อย่างนี้เขาก็ยังเป็นผู้มีเวรมีอาชยามีศัตรูมีความมยาบาตมีการจองเวรกันอยู่พระผู้ให้พระเจ้าท้าวสกัดได้ถามอย่างนี้ไปเสร็จแล้วเนี่ยนะหลวงพาก็เลยบอกได้พยากรณ์ในลักษณะอย่างนี้ยท้าวสกัดได้ฟังแล้วก็ทรงอนุโมทนาชื่นชม ชื่นชมที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นทีนี้ในปัญหาต่างๆตรงเนี้ยนะต้องไปดูคําขยายบอกว่าท่านขยายยังไงความตนีเนี่ยท่านก็ขยายบอกว่าดูก่อนเท้าจอมเทลิสยาและความตนีมีสัตว์และวัฏถุนเป็นที่รักใช่ไหมมีสัตว์และวัฏถุนเป็นที่รักนี่แหละจะถามบอกว่าเอ๊ะลิสยาและความตนีเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย บอกว่าข้าแต่พระผู้เผยพระเจ้าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นข้าแต่ว่าสุดข้อนั้นเป็นอย่างนี้ในข้อนี้ข้าพระองค์ข้ามพ้นความสงสัยแล้วปราศจากถ้อยําที่จะพูดว่าอย่างไรแล้วเพราะได้ฟังการพยากรณ์ปัญหาของพระเทเจ้าแปลว่าท่านฟังครบท่านเข้าใจแล้วท่านเข้าใจบอกว่าความที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่มีการจองเวรต่อกัน่ยไม่ข่มเหลียงกันเมี่ยคือจริงๆคิดแบบนั้นบอกว่าความนิสยาความตณีเนี่ย อิจฉามาเชริยะเนี่ยน่วงเหนียวไว้น่วงเหนียวใครน่วงเหนียวเทวดาหน่วงเหนียวมนุษย์เหนียงเหนียวอสูรแล้วหน้ า, นาแล้วคนทันและฟุ้งชนเหล่าอื่นๆทั้งหมดที่มีความคิดบอกว่าพวกเราพึงไม่มีเวรต่อ ก, กันไม่ข่มเหงกันไม่เป็นศัตรูกันไม่เบียดเบียนกันอยู่เถิดถึงเนี้ยก็ยังมีเวรต่อกันข่มเหงกันเป็นศัตรูกันแล้วเบียดเบียนกันทีนี้ลักษณะความตนีเนี่ยท่านกล่าวไว้ในอัษฐานพุสูตร บ, บอกว่านิสยานั้นมีการติดสมบัติผู้อื่นเป็นลักษณะตีนะไม่ใช่ติ คนที่ได้สยามนั้นมีการติติเตียนสมบัติของบุนคคลอื่นเช่นคนนี้ตาไม่งามคนนี้ผมก็ไม่งามหน้าเกียดเงี่ย น, นะจะมูกก็ไงว่าหน้าเกียดแค่วันก่อนไรบรรยายที่กรุณเทพก็ถามยมผู้ชายบอกว่าถามการน่ยถามว่าจะมองผู้หญิงยังไงไห่ไม่สวยใช่ไหม ถ้ามองสวยเดี๋ที่เกิดตัญหาเกิดความลาภะถ้ายมยมผู้จาจะมองยังหวานมองไงแต่มองผู้หญิงมองไม่สวยมองยังวิธีมองไม่สวยอว่าแค่ลองมองไหมเอาจมูกออกะถามว่าผู้หญิงเนี่ยลองเอาจมูกออกปุ๊บนี่จะไม่สวยเลยรพวกนัลองคิดให้ไม่มีจมูกดูจะสวยไหมแล้วมา อาไหมล่ะงามขนาดไหนก็งามแต่ว่าเอาจมูบบอกออกแค่จุดเดียวไปเลยก็ว่าไม่ไใช่หมใช่ใช่นี่เราไปเห็นส่วนต่างๆมัน ต, ต, ต, ต, ติดกันอยู่ใช่ไหมแค่ ท, ที่จริงในจมูกนะมันก็คือก้อนเนื้อก้อนหนึ่งอย่างถ้าที่จริงลองถามว่าไอ้ตัวก้อนเนื้อเนี่ยมันมีมัน ม, ม, นมีมันมีกระดูกมาแค่นิดเดียวหรืนี้่ใช่ไหมพอดึงออกมาไปหมดเลยหมดสภาพเลยก็เหมือนเอาเนื้ออะไรไปไปทิ้มเข้าไ้นั้นเดึงเนื้อหลุดออกมาไม่สวยแล้วหมดสภาพเลยใช่ไหม คิดไได้ชิ้นหนึ่งก็ใหญ่แล้วกันก็ใช่ดิแต่ว่าถ้าถ้าจมูกเธอหลุดมาปุ๊บเนี่ยเย็นสมานบอโอหสวยจังสวยไหมหมดแล้วใช่ไหมเห็นไหมเพราะเราจริงๆนะไปเห็นส่วนต่างๆคก็แท้จริงในจมูกก็เป็นที่ไหลออกของน้ำมูกใช่ไหมของไม่สะอาดไหลออกมาได้แท้เราไปเห็นว่างานได้อย่างไรเห็นไหมว่าปากงามอย่างเนี้ยเราก็แท้จริงก็คือน้ําลายมันสเลดมันก็สําลอกออกมาตลอดเวลา หูงามก็มีตั้งที่หูก็ไหลออกมาจะอร่อยใช่ไหมตามงามก็ขีตาก็ออกกายงามก็ผลิตเนือ้อไขออกมาเต้ม่หมแต่ศาตร์ต้องวิพผลิตแล้วเห็นไหมาการวิจัยการพิจารณาทีนี้กรณีอย่างนี้กันกริีษยาคือการตีสมบัติของบุคคลอื่นใช่ไหมผมขนเล็บปันหนังเอ้ยงามเลยเสื้อก็ไม่งาม เ, เ, มามเขาเขาคนนั้นดีอ่ะไม่ดียังจะติเขาไปเงีง้ยและลิศยาจะเป็นแบบเนี้ย กาสังเกตุว่ามองคนอื่นมันดีไม่ได้อะลักษณะของลิษยาก็าจะเป็นอย่างเนี้จติตําหนิสมบัติของบุคคลอื่นทั้งสมบัติไทยในและสมบัติไทยนอกบางทีก็ไปตำหนิคุณสมบัติบางทั้งก็ตําหนิรูปสมบัติเขาเนี่ยแหละบางทีก็ตําหนิคุณใช่ไหมเกียรติยศชื่อเสียงมันตาหนิได้ดหลายจุดใช่ไหมแน่ตัวลิษยาตรงนี้แหละเป็นเหตุทําให้สัตว์ทั้งหลายนะั้นมีอะไรสัตว์ทั้งหลายก็เลยมี การจองเวงการข่มเพ่งกันเป็นศัตรูการเบียดเบียนกันก็เพราะนี่แหละตัวแรกก็คือตัวนี้แหละตัวติสมบัติกับบุคคลอื่นนี่แหละเป็นลักษณะเนี่ยหะนี่นะข่ากล่าวไว้ในลักษณะอย่างนั้นไม่ปรารถนาจะเห็นใครดีกว่าตนแล้วก็มาให้ควรพิจารณาดูดีว่าลักษณะของของลิศยาเป็นอย่างนี้ไหมเพราะเขาเกิดร่วมกับโทสะนะลิศยาเนี่ยเกิดร่วมกับโทสะฉะนั้นคนที่มีลิศยามากๆเนี่ยนะะ ก็คือคุณเครื่องนั่นแหละคุณเครื่องก็มีการดําหนินี่ในข่าวคนคนนั้นเขาเรียนเก่งนะเราก็ยกย่องเฮ้ยเก่งลเลยหรอกเฮ้ไม่เก่งหรอกโง่เงี้ยตายเลยใช่ไหมก็เป็นเงี้ยนี่ใ้ข่าวคนคนนั้นดีนะโอ้โหดีได้แล้วมันด้อยู่ใกล้ๆดีกว่าเราอยู่ใกล้ๆเหมืนมีดีเลยเนี่ยนะก็สรุปก็คือการช่างตีนั่นแหละที่ก็าพูดถึงในเรื่องกลรณีที่ว่าเห็นใครตําหนิหมดเห็นใครําหนิหม ด, ห น, ห น, หมดนี่คือลักษณะริสยานนเนี่ย คือมองคนอื่นดีไม่ได้เพอาะพูดตรงนี้มายมังเป็นนึกถึงเรื่องเขาเราแต่๋ยวแค่จริงไงไม่รู้นี่ที่เขาบอกติดจนตหนิคนอื่นจนกลาย ม, มีชื่อเสียงเลยเขาก็เลยบอกว่าเอาเขาก็เอาคนคนหนึ่งมาปั้นมาโคจรูปเนี่ยเป็นช่างมือหนึ่งในทิวันงนั่นเองมาก็ไอคนนี้ให้ให้มาดูเขาบอกเอา้าเองเนี่ยเป็นคนนี้ต้ออะไรก็ไม่เคยดีในความรู้สึกเองเนี่ย ลองมาตําหนิพระพุทธโลกหน่อยนะว่าคนคนนี้วอรสุดยอดมีใครเขาตําหนิได้แล้ะแกเดินวนอยู่สองรอบแล้วแกก็ตําหนิจนได้ก็ดีหมดเจียอย่างเดียวไม่พูดไม่ได้ไอ้ น, นี่ไอ้ น, น, อ น, นี่หมดส้นถ้าอย่างนี้เขาเรียกลักษณะของฤาษยาถามว่าฤาษยานี่อยู่ในกลุ่มทมนัตอยู่ในกลุ่มของโทศใช่ไหมถามว่าการปฏิบัติในพระศ า, ศาสนาเนี่ยนะ ถ้าบรรลุอริยมรรคเป็นต้นเหล่านี้แล้วเขาก็ละกลุ่มอกุศลธรรมเหล่านี้นี่แหละก็คือโทสะใช่ไหมถ้าโทสะถูกทาลายได้เมื่อไรแล้วตัวริสยาต่างๆเหล่านี้ถึงจะถูกลําลายไปตามเสภาวรของโทสะเป็นต้นไปวยนี่อประการต่อมาคือว่าความตณีตณีเนี่ยมีการทนไม่ได้ต่อภาวะที่สมบัติของตนจะเป็นสิ่งที่ทั่วไปแก่บุคคลอื่นลักษณะของตณีจะเป็นอย่างนี้ยถ้าสมบัติของตนเองเนี่ยนะจะไป ทั่วไปจะบุคคลอื่นแล้วตนเองทนไม่ได้ทนไม่ได้เช่นถ้าเสื้อผ้าของตนเองอ่ะจะไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยแหวนของตนเองจะไปอยู่คนอื่นใช่ไหมบ้านของตนเองจะไปเป็นของคนอื่นโลกของตนเองโลกคนอื่นสามีของตนเองจะเป็นสามีคนอื่นตนด้วนนีเห็นชัดไหมภรรยาของตนเองจะเป็นภรรยาคนอื่นในวันตนมีแหวนตนหนีแต่ไม่ใช่เอยเกิดดี ไปอ่านประวัติไอ้ไปอ่านในอุตรากูรุทวีปอุตรากูรุทวีปเนี่ยเขาเขามีปกติศีลของเขาอีกอย่างปกติศีลของเขาคืออะไรรูไ้ไหมปกติศีลของเขาเนี่ยเขาจะไม่มีการมองเห็นแต่เขาไม่ได้ผิดศีลข้อนี้นะเขาไม่ได้ผิดศีลข้อนี้เออเป็นแปลกมากประเทศเนี้เออเมืองนี้นะหมายความมาโลกไใเนี้ยเขาเรียกว่าอุตรากูรุทวีปเป็นทวีปที่มีลักษณะสันฐานสี่เหลี่ยมเนี่ย ก็แปลว่าการเป็นอยู่ในทวีปนี้เบสเซ็ตแปลว่าี4 5เขาปกติแต่อินทรีย์ของเขานะไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่หย่อนเยือนระดับปกติทีนี้เวลาความเป็นอยู่ของเขาในมนุษย์ในโลกใบเนี้ยแต่ว่า7วันนะเขาก็จะมีความสัมพันธ์กันดีแต่ว่าเขาจะไม่ไม่ยึดติดว่าคนคนนี้เป็นสามีเป็นทั้งนัน้ถ้าเขาตั้งท้องนะเขาก็คลอดนี่นะเขาคลอดง่ายมากคลอดเบสเซ็ตเขไปแล้วก็ไม่ดูแล ถ้าไปเห็นปั๊บอันนิน้วในยแย่ก็ไปที่ปากน้ำนมไหลออกหมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชา ย, ยานี่นมีมีความสุขใช่ไหมเขาไม่เดือดร้อนกันเลยก็เป็นไปอย่างเนี้อายุหนึ่งพัปีในโลกใบนี้ตายแล้วไม่ตกนรกแต่บรรลุนิพพานไม่ได้ว่าอินทรีย์ไม่แข็งแรงไม่มีการทํากรรมหนักโดยมากก็จะมาเที่ยวภูมิตายแล้วก็จะไปเทียวภูมิหรือไม่งั้นก็เกิดอยู่ในภพนั้นภูมิน้าไปเกิดไหมไม่น่าน เ, ลเลยเพราะว่าผู้ะพุทธเจ้าไม่ไปอุบัต เนี่ยพบนี้ภูมิเนี่ยดีที่สุดที่ได้มีคําสอนพระเจ้าถ้ามาในพบนี้นะเขาบอกในแสนโกดจักรวาลนี่นะที่อาตมากล่าวกันก่อนแล้วพวกเรามากันได้ยังไงมาเกิดในพบเดียวภูมิเดียวกับพระบรมศ า, ศาสดามาตรสรูเนี่ยก็แสดงว่าอัจฉริยะสายมีกันอยู่บ้างนี่นะคนละเล็กละน้อยเนี่ยแต่ว่าประโยคะของเราต่างหากเราประโยคฆาที่ไม่ไม่ดีพอถ้าประโยคะเราดีดีเนี่นะเรามีโอกาส มีโอกาสบรรลุได้ด้ยไม่บรรลุพบนี้จะไปบรรลุเป็นเทวดานี่เทวดูมถ้าเป็นเทวดาเทวภูมฟังฟังทำไม่ได้บรรลุจะมาบลุถ้าหากว่ามาเกิดพบใดพบหนึ่งนะเจอพระเจ้าจะบรรลุได้เร็วหรือถ้าไม่เจอพระเจ้าเลยเพียรพยายามไปนี้ไปเรื่อยๆนะสร้างอัตยาศัยเรื่อยๆจะเป็นเพราะไปเจงพกวัดเจ้าเนะี้ที่เป็นต้นฉันขอให้เพียนจริงๆนะเพียนขนาดอย่างที่กล่าวเนื้อและเลือดจงแห้งหายไปเิด จะเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้บรรลุฌานอภิญญามรรคแล้วจะไม่หยุดความเพียรชาตินี้ไม่ได้บรรลุจะไปบรรลุชาติหน้าชาติหน้าไม่ได้บรรลุจะไปบรรลุชาติต่อๆไปจะบรรลุสักชาติใดชาติหนึ่งไม่ได้ข้าพเจ้าจะตั้งความเพียรไว้ในกระแสจิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าข้าพเจ้าจะปรลินิพานเนี่ยถ้าตั้งคิดเรื่องนี้นะบรรลุตั้งตั้งเลยดิตั้งคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆ ความคิดที่มันคิดบ่อยๆปลุกเราตัวเองบ่อยๆเ น, นี่ยนะนั่งเข้านั่งเข้าเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกมันนอนได้สักพักหนึ่งมันลุกทำความเบียดแล้วใช่ไหมใช่มันนอนสักหน่อยเลยอย่าเพึ่งไปเพียดมันเลยนอนหมดเล ย, เย <c ười> <c ười> คือมันเร่งต้งเร่งเร่งในการที่จะกระทำสรุปแล้วก็คือความทหนีเนี่ยมีการทนไม่ได้ต่อภาวะที่สมบัติของตนจะไปเป็นของบุคคลอื่ น, น <c ười> ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น ส, สิ่งของต่างๆทรัพย์สมบัติต่างๆ แม้แต่ความรู้ของตนเองก็เหมือนกันยังทนไม่ได้เลยถ้าตนเองจะรู้คนหนึ่งจะรู้เคยสังเกตไหมเดี๋ยวนี้เวลาเขียนอะไรกันก็มีมลิขสิทธิเนาะเขากลัวนะเนี่ยเขาจะหนีนะนี่ยจะหนีนมาไม่เห็นจะหนีเลยธรรมะที่มาปัญยาปัญยา เ, ยเอาไปที่เผยแผ่เผยแผ่กันยังเป็นประโยชน์กับค น, นเดี๋ยวนี้เขาขายกันนะเขาขายขายทําไมใช่ไหมถ้าทำของปัญญาไปขายให้เสียหายเลยเสียหายเลยมาห้ามขาย ้ายได้ไงเรารู้เองที่ไหนพระธรรมหลวงพ่อเจ้ามีของเราช่วยกันเผยแผ่ขอเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าหัดเยแผ่สิ่งไม่ถูกต้องเป็นบาปเนี่ยอย่าลืมนะทําไมเราจึงหลงทิดหลงทางมาอย่างยาวนานคําตอบง่ายนิดเดียวประเด็นแรกก็คือเราให้คําสอนที่วิปริตมานานการมันั้นมันก็ซัดกระแสขันของเราหลงทิดหลงทางเข้าใจใช่ไหมเพราะเราไปให้คําสอนที่ไม่ตรงคือเราไปเรียนพระธรรมไม่ตรงแล้วเราก็รีบไปเผยแผ่ นี่เราไปบอกคนอื่นเขาอย่างนี้สิถูกอย่างอื่นผิดเนี่ยแล้วไปยืนยันข้อปฏิบัติซึ่งมันไม่ถูกกับพระธรรมของพระเจ้าการให้ธรรมะวิปลิตก็จะเป็นปัจจัยให้บุคคล น, นั้นวิปลิตในการปฏิบัติด้วยเข้าใจไหมแล้วไปอยู่หน้าที่ไหนก็จะมีแต่ธรมธรมะไปผิดโถมเข้ามาเรื่อยอ่ะมีคนจูงให้ผิดเูีผิดทางอยู่เรื่อยนั่นแหละพึงจําสังสวรอาไว้การให้สิ่งที่มันไม่ถูกมันไม่ผลย้อนกลับให้ดูปฏิปทาของพระโพธิสัตว์อยู่ข้อน ก็พอดิษฐ์นั้นจะไม่ให้คําสอนที่วิปริตธรรมทานองท่านไปดูอีกในจริยาปีดกหรืในพุทธวงเหมือนตอนนี้โดยเฉพาะในจริยาปีดกเลยมีเจ็ดสิบสามเจ็ดสเจ็ดสามไปดูท่านจะไม่ให้คําสอนที่วิปริตเราท่านทั้งหลายก็จําไว้เวลาจะเฟ้นเนี่ยจะเ้าหนังสืออะไรต่างให้ใครเนี่ยถ้าไม่แน่ใจให้ครูบาอาจารย์เตือน ด, ด้วยก่อนเพราะอันนี้แจกใจไหมไม่ใช่ว่าโอ้โหมันอยากจะทําบุญเน่ย เข้าใจอยากจะทำบุญใช่ไหมบางทีแจกไปเงี้ยพอ เ, เปิดปุ๊บปุบปบ๊ก็รู้แล้วถ้าคนที่เขารู้เนี่ยเขากำนวณได้เนี่ยอย่าไปแจกต่อเด็ดขาดอย่างเงี้ยเท่าที่ว่าเราให้คำสอนที่วิพิปริตและเมื่อให้คำสอนที่วิพิจปริตเนี่ยเราจะเจอสิ่งที่ไม่ชอบมาพาคนเข้าสู่ใจเราตลอดเลยเพราะเราให้ไปแล้วเราทำไปแล้วกรรมนั้นสำเร็จไปแล้วที่ทำมาแล้วในี่ ก, ก็มากพอแล้วต่อไปนี้อย่าไปทำถ้าจะแจกหนังสือเนี่ยถ้ามีครูบาอาจารย์นะ หรือมีท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยตรวจสอบให้เข้าไปเจา้ายวยีเข้าไปเจ้าจะแจกหนังสือเล่ม น, นี้เข้าไเจ้าจะทําบุญในแจกหนังสือเนี้ยจะไเป็นได้เป็นธรรมทานจะได้ไม่วิปลิตถ้าจะให้อนกลับลงนะเพราะอันเนี้ยมันจะเป็นโทษอาตมาเนี่ยจะกอดโู้หนังสือธรรมะก็แจกแจกเขาใหญ่ความเป็นผู้ชอบแจกหนังสือธรรมะเดี๋ยวนี้ขนหัวลุกตอนนี่กรรมมันส่งผลอาตมาเนี่ยไหลมาใหญ่เลยคนที่เอาของไม่ถูกมาให้เต็มไม่หมด มันเก็มานั่งคัดโอ้ตายแล้วตายแล้วเอาไปทิ้ง เ, ออบบเอยอะมากเอไม่บาปเด้เยอะเหมือนอาตมาไม่รู้ก็ทําไปเยอะแยะเจตนาเอานี้นะเจตนาดีเอายาพิษให้คนกินก็ใช่แต่เราไม่รู้เป็นยาพิษไงเจตนาดีไหมเนะี่ยแต่คนกินไปแล้วเป็นโทษกับเขาไหมเมื่อเขาเป็นโทษกับเขางั้นแล้วมันย้อนกลับเราไหมเอานี้นะถ้าเราให้คาสอนผิดสักร้อยคน คนร้อยคนไปปฏิบัติผิดเมื่อไรทุกครั้งที่เขาปฏิบัตินั้นผลชั่วตามถึงเราตลอดมองอั้นอย่าแปลกใจว่าทําไมเราไม่หลุดพ้นไม่ได้เพราะเราให้สิ่งที่ผิดๆมาเยอะอยาวยาวๆนานแล้วนั้นต่อไปก็จําแล้วก็ให้เข้าใจไม่มั่นใจก็ถามคนที่รู้เดี่ยผมจะแจกหนังสือเล่มนี้มันเป็นยังไงท่านช่วยตรวจให้ผมหน่อยเถอะถ้าเพราะคนที่เขาดูเป็นเนี่ยเขาไม่ต้องดูมากเลยก็พีชแค่นี้ก็พิช กูดูเดี๋ยวแับเดียวเรู้เลไม่อยากแต่ที่แน่แน่แจกพระตายพิอกเขายั้บุญเขายัใช่ไหมตังี้ชัดบางคนเลยน้างพระตายพดอกแค่สองคำแล้วขยายเองงว่าเนี่ยี่ตรงนี้เป็นโทษชอบอ้างกันยังอทีติตังนานวาขเมยยานาปฏิกังเทยนากตังยติติตามิน้าตังอ่ะปตัญญานากตังปัจุปันนันจะโยธรรมาปัตตถาตถาวิปัสติแจกกันเยอะหมดนี่พุทธพจน์ถูก แต่าไปขยายพุทธพจ์เต็มไปหมดใส่ใส่หมดเต็มเอาคาความเห็นตัวนี้ใส่ใส่ใส่ใสเข้าไปคนอ่านพุทธพจน์ก็เบ็นบุ่ไปได้เป็นเสพสิ่งนั้นเขาดีไหสิ่งที่อาทิขยายไม่ตามคำสอนเ็เป็นโทษเกิดมาในยุคปัจจุบันนี้น่ากลนคือคือมาใช้คาว่าปรารถนาดีหวังดีเดี๋ยวประสงค์ร้ายเขาจะยังไงเอาใช้คำไหนไม่รู้นะ ใช้คำว่าไม่รู้ดีกว่านะเออไม่รู้ไม่รู้เนี่ยปเป็นปรารถนาเนี่ยเป็นเป็นความไม่รู้ดีกว่านะ <บ Large. S 2> เป็นความไม่ก็แจ ก, กไปอ๋องั้นเ ล, กเลิกอ่านเลยทั้งสิ้นเลยพวกข่าวใจนี่ม่เอาไม่เอ า, <ม>า <segundo S 2> ใช่ใช่ถ้ามาในยุค ป, ปัจจุบันนี้เนะี่ะเอานี้ยุค ป, ปัจจุบันนี้สองพันกว่าปีมันหมดสมัยที่จะเป็นจบตรงนั้น ถ้าใครมาพูดตรงนั้นก็บอกโอ้ยจบแล้วมีโดยการแล้วเลยการแลเลยการที่คุณอยู่มาพูดแล้วจะมาสองคนก็ปีนั้นจะพูดตรงนี้เรื่อง ป, ปกติว่าในการนี้คุณจะมาทําในช่วงนี้ไม่ไดังนะเพราะไม่ใช่ยุคของคนจะมีอีวิตอย่างที่คุณว่าโอ้ยจบถ้าคุณทําได้เรื่องคุณเลเดี๋ยวเราก็ไม่ไม่ไม่ไม่อย่าไปสนใจดงนะเพราะอันนั้นอันนั้นเริ่มแล้วเริศจะไปแล้วมันทํามันเป็นที่ตั้งของความหลงมากกว่าเป็นที่ตั้งปัญญาเพราะว่าจริงๆแล้วนะ ถ้าอยางต้องการอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายต่างๆเนี่ยไปดูประวัติของพระเจ้าไปดูของสระวัติของภาษาบุกอิทธิฤทธิ์มากของบุคคลที่เขากล่าวเยอะแยะตรงนี้ก็คือความตัหนีดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยอาจจะถ า, าท่านก็บอกไว้เนาะบอกว่าแล้วก็ความตัหนีในที่นี้มีการทนไม่ได้ต่อภาวะที่สมบัติของตนอื่นจะตกไปแก่ของตนจะตกไปคนอื่นไปรักนะ่ะหมายความว่ า, วาไม่ยอมเฉลี่ยสมบัติของตนแก่ใครใ ทั้งคู่เนี้ยทำให้คนเป็นเวรแก่กันและกันแล้วต่างก็ไม่ปรารถนาจะเป็นเวรต่อกันและกันก็หมายความบอกว่าทุกค น, นไม่ปรารถนาใช่ไหที่จะเป็นเวรต่อกันแต่ด้วยความลิษยาและความตณีที่อยู่ในกระแสจิตของสัตว์ทั้งหลายถึงแม้ไม่ปรารถนาเขาก็เป็นเวรกันไม่ปรารถนาเขาก็ต้องมาปะทุสลายซึ่งกันและกันไม่เคเขาไม่ปรารถนาจะเป็นเวรต่อกันนะ ไม่ปรารถนาจะคมเห็นกันไม่ปรารถนาจะเป็นศัตรูกันไม่ปรารถนาที่จะเบียดเบียนกันแต่เพราะอิพอลิษยาและความนีซึ่งอยู่ในใจของเขาไม่สามารถจะดับได้ด้วยอริยามาเขาการกระทำของเขาเขาก็เลยเป็นไปเพื่อความเป็นเวรกันเพื่อเบียดเบียนกันเพื่อคมเห็นกันเพื่อปฏทุสลายกันเข้าใจใช่ไหมถ้าถามพบท้าสก่าถามว่าทําไมลนะ่ะสัตว์เนี่ยไม่เคยคิดเลยนะ ที่อยากจะไปเวรเวรกับใครอยากจะเป็นศัตรูกับใครอยากจะไปข่มเพงใค ร, ใครแต่ที่จริงสัตว์ทั้งหลายก็ยังมีศัตรูกันข่มเพ่งกันเบียดเบีย น, ยนกันรังแกกันมันอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็อบอกนี่ไงเอริษยาความตณีนี่แหละที่กระแสอยู่ในกระแสขันของสัตว์ทั้งหลายที่สัตว์ที่ประหารไม่ได้ดอาเรียมักถ้าตราบใดยังไม่ได้อารีย์มากเนินประหาร ทำมัดให้เกิดขึ้นปะหากิเลสเหล่านี้ไม่ได้สัตว์ทั้งหลายก็ต้องเบียดเบียนกันต้องข่มเหงกันใช่ไหมต้องประสุตสลายกันต้องรังแกกันข่มเหงกันเพราะทัศตอบอย่างนี้พวกในเท้าสกะเข้าใจโอ้โอีอกตรงนี้เองไอสองตัวนี้เองไ อ, องตัวริษยาตัวความกันีนี่แหละท่านก็เลยยืนยันว่าท่านเข้าใจก็โมทนาบุรุษเจ้าผู้พาสิทธิ์ของพระเจ้าแจ่มแจ้งเลยแต่ก่อนสงสัยมากใช่ไหมเหมือนเราตั้งแนละ้วอีทําไมคนคนนั้นถึงพูดอย่างนะั้นอีทําไมคนคนนั้นถิงทำอย่างนะั้น ทำไมเราทำไมทำไมทำไมกันอยู่เรื่อยเนี่ยต่อไปเลิกทำไมรู้เลยอ๋อลิษยาความตนหนีในใจก็ไม่หมดถ้าทำไมเราต้องไปเบียดเบียนเขาไปคิดรังแกเขาไปคิดข่มเหงเขาก็ริษยาเนี่หนีในใจของเรามันยังมีอยู่เราก็ต้องไปคิดข่มเหงเขารังแกเขาเบียดเบียนไม่ในบ้านเดียวกันใช่ไหมยังมีการเบียดเบียนกันเลยเพราะเขามีความตนหนีก็มีความริศยาแม่รักคนนั้นมากใช่ไหม ก็มันไอตัวริษยาอยู่ในใจก็มีอยู่ถ้าไปบอกเขาริษยาก็โกรธแล้ว อ, อีกนะฮะเพราะ mm. เขาหาเป็นผู้ว่าเข า, าริษยาะแต่ให้รู้เธอสัตว์นั้นนะ่ะมีตัวนี้อยู่สัตว์นั้นจะมีการข่มเพ่งกันรังแกกันเบียดเบียนกันมีข้อแรกต่อมาท้าส ก, กาัก็ถามข้อที่สองถามบอกดูบอกถามบอกว่าฆ่าแต่นะถามว่าฆ่าแต่พระองค์พูดในอะรทุกคำมันนิรทุกมีแปลว่าอะไรผู้ไม่มีทุกพระเจ้าเนี่ถือว่านิรทุกถาวรไหม ใช่ไหมพุทธิยา่าผลจากชาติทุกชราทุกเป็นต้นเหล่าเนี้แต่เทวดานี่ไม่เรียกว่าเนรทุกข์ถาวรเนี่ยจะเป็นจำนวนถ้าเทวดาก็เรียกกันเน่ะข้าแต่ผู้นิรทุกข์เนี่ยเทวดาก็เรียกกันเน่ยเป็นจำนวนเรียกนะจริงๆแล้วเทวดายังมีทุกอยู่ไหมเต็มเลยแล้วเทวดานี่มีทุกมากอย่างชาส ก, กาัดที่มาหาพุทธเจ้าเนี่ยคือเทวดามีทุกทีนี้ในส ก, กัปัญหาสูตรเนี่ยถ้ามาพิจารณาดู อยากทำถามในข้อที่สองนะในข้อที่สองที่บอกว่าค่าแต่พระองค์ุณเ น, นรทุกอารมณ์มันเป็นอขอไปความตานันหนีความยศยาและความตานันหนีมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทรไทยมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดคําว่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทรไทยมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเนี่ยคําเหล่านี้เขาเรียกเป็นเววัจนะเววัจนะเข้าใจคําว่าเววัจนะไหม เป็นวัยพศเข้าใจกันไหมเป็นวัยพศเป็นคําที่แทนกันนะใช่ไหมเป็นคําที่แทนบางคนเนี่ยใช้คําว่าเหตุเนี่ยเขาเข้าใจเนี่ยแต่บางคนต้องใช้คําว่าสมุทยัยสมุทัยก็เหตุใช่ไหมกำเนิดก็แดันเกิดก็นั่นแหละก็คือเป็นเหตุ น, นั่นเองเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุพูดกันโดยตรงก็คือว่าความริษยาและความตณีเนี่ยมีอะไรเป็นประฐาน นั่นแหละน่ะมีอะไรเป็นปรรทัดฐานใช่ไหมมีอะไรเป็นบรทัดฐานเคาต้องบอกความริษยาและความตณีมีอะไรเป็นเหตุเกิดใช่ไหมมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีอะไรเป็นปรรทัดฐานนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนจอมเทพความริษยาและความตณีมีอารมณ์อันเป็นที่รักและอารมณ์ไม่เป็นที่รักเป็นเหตุเป็นสมุทัยเป็นแดนเกิดเป็นกัมเรือ ใช่ไหมคำว่ามีอารมณ์เป็นที่รักและอารมณ์มันไม่เป็นเนี่ยเาเรียกใช้คําว่าปียาปียะปียาปียะปียาปียะนี่นะปียะเนี่ยปียามาจากคาว่ารักอาเนี่ยสระอาเนี่ยแต่ก่อนเป็นอ้ออ่างเอาอ้ออ่างออกใช่ไหมแล้วก็เอาสระอามาแทนก็คือปียะอาปียะนั่นเอง ปียะอภิยะหรือปิยะอปิยะนั่นเองก็เลยใช้คําว่าปียะปิยะไปเลยเป็นการซ้อนสระขึ้นมาแทนที่แบบก็แปลว่าอารมณ์เป็นที่รักและอารมณ์ไม่เป็นที่รักฉะนั้นความริษยาและความทันีเนี่ยมีอารมณ์เป็นที่รักและอารมณ์ไม่เป็นที่รักนั่นแหละเป็นเหตุมีอารมณ์เป็นที่รักและอารมณ์ที่ไม่เป็นที่รักเนี่ยเป็นแดงเกิดมีอารมณ์เป็นที่รักและอารมณ์ไม่เป็นที่รักเนี่ยเป็นสมูทัยเป็นเขตเกิด ถ้าเรมาพิจารณาดูที่ว่าอัตถกถาท่านบอกปิยาปิยาเนี่ยเป็นเหตุเป็นสมุทยัยเป็นกําเนิดเป็นแดนเกิดเนี่ย <c oughs> เมื่อสัตว์และวัตถุอันเมื่อได้สัตว์และวัตถุอันเป็นที่รักไม่เป็นที่รักอยู่ฤทธิยาและความตันีก็มีเมื่อสัตว์และวัตถุไม่เป็นที่รักที่ถถเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักไม่มีอยู่ฤทธยาและตนีก็ไม่มีเนี่ยนะอัตถกถาท่านก็บอกว่าตนนีเนี่ยมีสัตว์ และวัตถุอันที่รักเนี่ยเป็นเหตุก็หมายความว่าที่ท่านรักแล้วเนี่ยห่วงไหมห่วงไหมยึดติดไหมใช่ไหมรักตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก็ห่วงใช่ไหมถามบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวอื่นเนี่ยวของของตัวเองเนี่ยเราห่วงหเรายึดไหมเรายึดไหมยึดใช่ไหมถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจของลูกเราเรายึดไหม ถ้าข่าวบอกมาบอกตาลูกของเราบอดก็นยังไงทุกข์ไหมนี่ยมันยังไงถ้าถามว่ามีอะไรมีความรักและความไม่รักนั่นแหละตรงเนี้บอกว่าความนิสยาวัตถุอันไม่เป็นที่รักเป็นเหตุก็หมายความไม่รักถ้าไม่รักเราจะกีดกันไหมขีดกันไม่กีดกันไม่รักก็กีดกัน และเมื่อทั้งคู่เป็นเหตุทั้งสองอย่างเช่นเครื่องประดับงามงามเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจก็หวงเหนียนเห็นคนอื่นมีอย่างนั้นบ้างก็นทธิยาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นไปลักษณะยอย่างอันนี้ก็เกี่ยวในเรื่องของที่ท่านกล่าวเขาไว้เกี่ยวในเรื่องของในปฏิปทาหรือเกี่ยวกับในเรื่องของการที่ว่าปียาปียาเนี่ยว่าในเรื่องของพยากรปัญหา ที่ท่านกล่าวไว้เกี่ยวในเรื่องของทีนี้เกี่ยวกันในเรื่องของอัชญาทั้งหลายหรือเป็นข่าศึกเป็นศัตรูเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะท่านก็บอกบอกว่าขอให้พวกเราพึงไม่ก่อความกําเลือกให้เกิดขึ้นมาใหม่ในหลักถานท่านก็กล่าวไว้นะท่านขยายความบอกวิสยาเนี่ยนะมีความสิ้นไปแห่งสมบัติคนอื่นเป็นลักษณะและความตหนีก็มีความทนไม่ได้ต่อสมบัติของตนนะ่ะ ที่จะทั่วไปกับบุคคลอื่นเป็นลักษณะนีชื่อว่าผู้มีความดิสหยาและความตหนีเป็นเครื่องผูกพันก็ไว้เพราะอะไรเพราะความดิสหยาและความตนีเป็นเครื่องผูกพันเขาเขไว้แล้วนี่เป็นความย่อในทีนี้ส่วนความดิสหยาและความตนีอย่างพิสดารเนี่ยนะต้องไปดูในรายละเอียดตรงไหนท่ากระโดมบอกว่าความดิสความตนีเนี่ยเพราะความตนีอยู่สัตว์ไม่ว่าจะเป็นยักษ์หรือเป็นเปรตต่างก็เที่ยวใช้ ศีระนี่ทูลขยะในที่อยู่ของตนเองอ่ะเพราะความตณ์หนีตระกูลเมื่อบุคคลเห็นผู้ที่กำลังทำทานเป็นต้นเนี่ยแกผู้อื่นในตระกูลนั้นก็คิดว่าตระกูลของเรามี่แต่กแล้วหนูก็หมายความว่าคนบางคนเนี่ยเอามี้เงินสมมุติว่าเราเนี่ยจะให้ทานจริงๆจริ ง, จ, ง, จ, งจังเลยเชื่อไหมทุกวันเนี่ยบางคนที่ให้ทานจริงๆต้องแอบหลบๆให้ถ้ามีสามีมีมลูกมีพ่อมีแม่ตนเองก็ศรัทธานในพระเจ้าใช่ไหม อยากจะให้ทานแล้วจริงๆอย่างเช่นบางคนไม่กล้าเปิดเผยตัวก็เห็นไม่ได้คนแบบนี้เพราะคนอื่นรู้แล้วก็ทนไม่ได้เพราะเขาจะหนีเพราะสัตว์ทั้งหลายจะหนีเชื่อไหมหลายคนเนี่ยอยากจะให้ทานนะแต่ชีวิตมันไม่ได้เป็นอิสระใช่ไหมเพราะมันเป็นมันมีเครื่องผูกพันเยอะมีพ่อเป็นเครื่องผูกพันมีแม่เป็นเครื่องผูกพันมีลูกเป็นเครื่องผูกพันมีสามีมีเพื่อนเป็นเครื่องผูกพันก็เลยไม่กล้าให้ ถ้าลําพังตัวเองเนี่ยให้อยู่แล้วแต่พอให้ไปแล้วเนี่ยลูกรู้ลูกกว่าที่แม่นี่ทําเกินไปแล้วและคุณนี่ทำเกินไปแล้วเธอที่ทําเกินไปแล้วเป็นต้นฉะนั้นความตนหนีเนี่ยบางทีเนี่ยเราเราไม่ตนหนีก็จริงแต่คนที่เกี่ยวข้องเราเนี่ยเขาบอกว่าใจเขาแตกสลายเขาทนไม่ได้นั่นแหละก็ความตนีเขามีเครื่องก็มีความตหนีเป็นเครื่องบูพนอยู่ในใจเขาที่เป็นอย่างนั้น มันก็เลยมาเนี่ยคลากระซงกันอยู่เนี่ยจะเจริญกุศลก็ไม่ค่อยชัดกันหรอกบางคนต้องแอบทำเพื่อทำไปจะเจริญกุศลเนะี่ยใช่ไหมใช่เนี่ยเราจะเห็นชดัดว่าเป็นไปลักษณะอย่างไรแต่ในใจเนะี่ยใช่ไหมในใจเนะี่ยอยากอยากจะทําเต็มที่เยอะแยะหมดหลายหลายคนเป็นอย่างนั้นแต่ทําไม่ได้หรืออันนี้ไม่ต้องพูดทานพูดศีลเอาท่านทั้งหลายลองเนไม่ต้องลองเอาจริงๆเลยรักษาจริงแปะ ซึ่งมันรักษาได้อยู่แล้วรักษาทุกวันเลยเป็นปกติอยู่ในครอบครัวถ้าคนมีคู่ครองในี่ยเขาโกรธเลยแช่ไหนเะขาโกรธบอกโอ้โหทหําไมเชิงทัดขนาดนะั้นหรือมาฟังทำให้ต่อเ น, นื่องเลยเอาจริงเอาจังในการฟังทำนี่นะใช่ไหมเนี่ยความจะมี ก, ก็เกิดเขากลวัวสัตว์และสังขารของเขามันจะพลาดอ่างเขาเพราะเขาย็ดว่านี่คนของเขาไอ้ตันหาของเามันยึดอยู่ความพอใจไอ้ตัวตันหามันยึด พอไม่ยึดมันก็ไม่อยากจะให้ไปใช่ไหมเหมือนกับเรานี่แหละกรณีที่ว่าตัวตั้หาดึงเราไว้เนี่ยพวกวัตถุการทั้งหลายดึงเราไว้ลูกดึงไว้สามีดึงไว้ญาติดึงไว้ทรัพย์ดึงไว้เครื่องพันธนาการดึงไว้พอจะมาศึกษาวิธีทำหน่อยอะไรหน่อยมันก็เรียกกลับใช่ไหมเรียกกลับใอ้เราก็ดั น, นไปเอาเซิเครื่องสัอย่างไปรอไว้มันจะเดี๋ยวนี้มันมาเยอะแยะหมดใช่ไม้มมันก็ส่งข้อความมามาดูอ้าว ลูกเกกลับสิดี๋ยวดูเป็นสายแล้วมีชื่อติดหมดเลยโอ้โหขึ้นมาหลายชื่อเต็มมีพระอยู่รูปนึ่งเสร็จไปแล้วนี่ยแค่พยายามหนีแค่โกงแค่สึกแกก็บอกแกว่าพยายามหนีแล้วบอกเออดีแล้วท่านรู้ว่าอยู่แล้วมันจะออกจากเพศนี้เพราะการอยู่ในเพศนี้เป็นเรื่องที่ดีก็บอกท่านเลยไปมาหนีไม่หนีป่าไปให้เบอร์เขาว่าที่จอไอ้นี่มีแผนเนี่ยไม่ไปใจ เรียบร้อยเลยหรือบางคนไม่อยังงั้นเราไปพวกตัณหาเราเรียกร้องแะ้วเขาก็บอกที่อยู่เขาอยู่ตรงนี้เรียบร้อ ย, ยนี้ตรงนี้จริ ง, รงๆเจ๊มะนี่ก็คืออย่างเงี้ยเมื่อบุคคลเห็นบุคคลที่ให้ทานเป็นต้นก็กลัวตระกูลต้นเองจะยากจนกลัวตระกูลจะแตกกลัวจะล่มจมเพราะการให้ทานเออเป็นอย่างเงี้ยนะแต่กินก็อะไรต่างๆถึงกับบางคนเนี่ยนะเขาบอกว่า เขาบอกถ้าเป็นพวกกลุ่มพวกยักษ์ก็ดีพวกเปรตบางกลุ่มก็ดีนี่นะแล้วพวกยักษ์เนี่ ย, นะ ย, นยคนที่เป็นยกักษ์คนที่เป็นเปรต ด, ดีกว่าสมมุติย่าตายไปเกิดเป็นเปรตเราก็เห็นว่าเขาตายไปแล้วแต่อย่างนั้นเลยเราให้ทานโอ้โหเขาห่วงอะ่ะเขาดองเปรตบางพวกนี้ก็าอากออกมาเป็นเลือดหัวใจเขาแตกแตกสลายบางคนไส้ขาดเลย ก็เขายังไม่ได้กินเลยยังไงแล้วคุณก็เอาให้เอาให้แล้วของนี่เราห่วงทังนั้นก็ใช่ไหมเขาไม่เคยได้เลยเนะ่ยเาก็ไสขาดบ้างเลือดทะลักออกมาบ้างเขาทรมานเา้าทนไม่ไหวดิ้นชักดิ้นงอนนี่ที่เราให้ทานเนี่ยของเขาห่วงก็เขาทามาใช่ไหมตระกูลเขาเขาทําทําท ำ, ท ำ, ท, ำ, ท, ำทำมาอย่างเยอะเลยเขาเป็นเปรตเขาก็ร้องเป่าอยู่ น, นี่ไหะวิ่งวนวนแต่เราก็ไม่เห็นเข้าใจใช่ไหม แล้วก็ไม่เห็นเขาหรอกว่าะเขาทรมานอยู่เนี่ยเพราะเราตาเขาบอดเราไม่มีตาทิพย์ไงเราไม่เห็นธรรมของพระเจ้าเขาก็ดิ้นชักดิ้น ง, งอบางคนนี่ก็อักเป็นเลือดบางคนบอกว่าถ่ายออกมานี่เป็นเลือดหมดเลยเขาเสียใจมากเสียใจมากเขาวิ่งวนอยู่นั่นแหละเขาบอกว่าเอาไปให้ยเขาทำมาให้ของเขาเป็นไนงเขาเชื่อไหมเป็นอย่างนั้นจริงๆในพระธรรมของพระเจ้ากล่าวไว้าอย่างนี้นนี่คือชาติที่ทุกข์ นี่คือชะลาทุกนี่คือพญาที่ทุกนี่คือมรณะทุกที่เขาได้ประสบแล้วแต่เขาก็ไม่ตายเพราะกรรมมันยังไม่หมดเอาสิตอเนี้ยนี่ของทุกชิ้นน่ะเขาเยึดอยู่นี่นแหละทั้งๆ ท, ที่เขาไม่ได้ทําเขาก็เย็ดเขาบอกเนี่ยภรรยาเขาเอาเขาไปมีใหม่ก็ร้องดิชักดิชัก ง, ง, งอสารพัดอยู่นั่นแะโกรธมากเครียดมากไม่ตอบกังวล เชื่อไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่เชื่อได้ไงปปไปดูในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่ในคําสอนเป็นอย่างไงนี่ไงผ้าริ้นทั้งหลายก็เห็นอย่างไงถ้าจริง้อมที่จะบริสุทธาใช่ไหมทถึงบอกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เราบอกว่าเราจะทําให้ถูกใจคนเราจะจัดสรรทรัพย์มันเป็นไปไม่ไดไ้อะไรที่เป็นบุญรีบจะเราไเข้าใจไหมแล้วญาติเราไม่ใช่มีคนที่เพิ่งตายไปนะเรานับได้ไหมวอยายติเราเนี่ยในสังสารวัฏที่ผ่านมาแล้วเขาจําเราได้อ่ะ แล้วทบุญไม่เคยบูชิเตเขาเลยนี่เยอะแยะหมดแล้วก็มาจอดจงเฉพาะชื่อกอชิอ้นคออย่างนี้แหลใช่ไหมแล้วก็ให้ทานนี่ก็ไม่ค่อยถูกตามพระธรรมก็เลยท่านก็บอกกันร้องไห้บอกสกุลของเรานี่แตกแล้วนาะถึงกับกระอกักออกมาเป็นเลือดไทยออกมาเป็นเลือดก็มีไส้ขาดเป็นต้นๆเล็กท่อนใหญ่ทะลักออกมาบ้างไปต้นเพราะความต์นีราบนี่แหละเพราะความเกิดตนีราบบางทีเนี่ยผู้ที่เกิดตห น, นีเนี่ยนะ ในลาศของสงหรือในของหมู่ที่บริโภคของคนส่วนบุคคลเกิดเป็นยากบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นงูเหลือมบ้างขนาดใหญ่บ้างไปต้นเห็นไหมคนบางคนเนี่ยถ้ายิงเกี่ยวข้องกับของสงเลยกันหนัวนากลัวเลยนีก็เพราะความตันหนีในผิวพันธุ์และความความที่ว่าชมความดีและความตันหนีการศึกษาเล่าเรียนบุคคลก็กล่าวชมแต่คุณของตัวเองเท่านั้น หากาชมของคนอื่นก็ไม่ได้กล่าวถึงชมคณของบุคคลอื่นและกล่าวอยู่แต่ในโทษว่าคนคนนี้ไม่ดีต่างๆเราเนี่ยนะและจะไม่ให้การศึกษาเราเรียนอะไรแก่ใครพูดแต่โทษว่าคนนี้ขี้เละคนนี้บ้าบอเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งนะความตนหนีที่อยู่ในเขาย่อมไม่ในเรือนต้องโลห์หดด้วยความตนีตระกูลนะบางคนก็ตนีตระกูลนะหนีตระกูลก็เป็นผู้มีรากน้อย อยลืมนะการตนีตระกูลเนี่ยทำให้ลาบน้อยสกัละน้อยตนีราบเกิดในครูฐานนรกคูฐานนรกก็คือนรกที่เต็มไปด้วยอุจลาก็คือพวกหนอนอย่างเงี้ยนะแต่พวกหนอนจริงจริงกับพวกครูฐานรกหมักตัวนี้ด้วยความตนีวันนะก็ไปเกิดอยู่ในภพที่ม่มีวันนะเชื่อไม่พ บ, บางพบเนี่ยเกิดไปหาวันนะไม่ได้เลยไม่มีความงามเลย ไม่มีความงามเลยด้วยความตันนีทำคําว่าคนที่ห่วงเห็นพระธรรมคำว่ามีรู้พระธรรมก็เหมืบอกใช่ไหมตันนีคําว่าทำมาตันนี้กินความขั้นกลางเยอะสิ่งที่ถูกต้องทั้งหลายศึกษาไปเกี่ยวกับความรู้ที่ไม่ขาดต่อมากผลทั้งหลายเอันนี้นไปเกิดในนรกที่เทํา ความเริษยาความตณีเป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในกมามะพบรูปะพบและก็ในรูปะพบโดยเฉพาะอยู่ในกมามะพบฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวประกอบเป็นตัว อ, อ่โยคะเป็นตัวโยคะเป็นตัวประกอบสัตว์ไว้ดึงสัตว์ไว้ครอบสัตว์ไว้นะไม่ให้สัตว์นั้นออกไปจากกมามะพบในความตณีและความริษยาเนี่ยทีนี้คําว่าประกอบสัตว์ในที่นั้น เ, นเป็นคํา เป็นคําพูดสัตว์บุคคลนะเพราะที่จริงนะสังขารและโลกสัจจะโลกแล้วก็โอกาสโลกอยู่ไหมต้องเชื่อมโยงกันอยู่ไหมสังขารและโลกหมายถึงตาหูจมูกลิ่นกายใจหมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยานสัตว์ตโลกก็หมายความวบัญยัติ์ว่าสัตว์บุคคลโอกาสชโลกก็หมายถึงภาชนะโลกที่รองรับสัตว์นั้นใช่ไหมอย่างเนี้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยานของโยมสุภาณหงอหนีก็เรียกสังขารและโลก วิตายาคุณจะบุดิ้งยายใจคุณโยมเนี่ยมีเป็นสังขารลโลกสมมุติว่าเป็นมนุษย์และชื่อวสุพันธ์โอหงนี่เขาเรียกว่าสัตวโลกที่เกิดอยู่ในชมในชมพูตวีปในโลกใบ น, นี้เขาเรียกว่าภาชนะโลกหรือโอกาสโลกใช่ไหมตัวอิสสาและลิสยาเนี่ยนะลิสยาและความดเดนีเนี่ยนะความลิสยาความเดนีจะประกอบสัตว์โลกก็คือประกอบทั้งขันธ์ธาตุยตนะรงท่านบุนนั้นไม่ให้ออกจากโลก ใบนี้คือบางทีก็ประกอบอยู่ในใบภูมิประกอบอยู่ในในนรกบ้างในเปรตบ้างในสุรกายบ้างในสัตว์ดิบฉานบ้างในมนุษย์บ้างย่างเนี้ยมันก็ติดอยู่ตรงเนี้ยมันก็ประกอบอยู่ตรง